พระวินัยก็ขาดทําลายพระสุตันตปิฎกก็เสียหายพระอภิธรรมปิฎกก็ไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวอันบาปอกุศลตัวนี้มันทําลายมากทำลายปิฎกสามไปหมดพผ้ารหัน์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ปฏิบัติดีมีพรภาษาบุตรเป็นต้นพระโมคคัลลานะพระมหากสปะพระนุรุทธะพระมหากจายนะพผ้ารหัน์ที่ฟังธรรมบรรลุตอนแสดงธรรมจักหรือพผ้ารหันบรรลุตอนอาธิตะปริยยสูตรหรือหมู่พระอริยะทั้งหลายที่บรรลุหาประมาณไม่ได้ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเราก็ระลึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นไม่ได้เพราะกิเลส ข, ของเราเนี่ยมันบังเราจนไม่ให้เห็นพระรัตนตรัยไม่ให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยไม่เห็นเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มันทำลายเราโดยประการทั้งปวงแม้แต่บุญกุศลที่เคยทำมาศีลที่ได้รักษามาเราก็ระลึกถึงศีลของตัวเองไม่ได้ใช่ไ นึกถึงศีลก็ไม่ได้นึกถึงทานที่เคยให้ก็ไม่ได้นึกถึงคุณความดีของเทวดาทั้งหลายมาเปรียบกับตนก็ไม่ได้อนุสติทั้งหลายเสียหายหมดเวลากิเลส ข, ขึ้นนะ่มันไม่กลัวตายนะเอาสิเขาบอกว่าตัณหานะตัณหาเหมือนกันโทสะเหมือนกันมันไม่กลัวตายเขาบอกว่ามีนางเนื้อล่ออยู่ตัวหนึ่งเขาเขาไว้ล่อเนื้อตัวผู้มาเนี่ยนะไอ้เนื้อเนื้อตัวผู้มาเนี่ย มันก็เห็นนางเนื้อล่อมันก็มีมารยาหน่อยก็เลยเนื้อตัวผู้มันก็มาเคล้าคลอไอ้เนื้อตัวสามีเก่าของนางก็หวงแล้วหวงเข้าก็เริ่มมีสงครามขวิดกันเข้ า, านะครับศึกชิงนางก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าในขณะที่มันมัวเมาอยู่อย่างนั้นนะนายพรานเนะี่ยถือหอกมาโฉบข้างหน้าปาดซ้ายปาดขวานะไม่รู้ตัวหรอกนะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกือบตายแล้วนะไม่รู้ตัวในที่สุดก็พรานเนื้อก็ เข็นข่าไปได้ตามความปรารถนาหมู่สัตว์ที่ถูกราคากลุ่มรุมไม่กลัวตายเดี๋ยนีตายไม่ว่าโทสะกลุ่มรุมก็ไม่กลัวตายเดี๋ยนีมันถ้าโทสะมันเกิดขึ้นนะคนเรามันเกิดมาตายชาติเดียวกันทั้งนั้นแหละอันนั้นเอ า, นะเอาละบาปอากุศลก็ตามมาเยอะเนี่ยนายทราค้ามันเกิดเขาบอกว่าถ้าได้สิ่งนั้นดังที่เราต้องการชาตินี้ไม่เสียดายชาติเกิดแล้วขอให้เราได้สิ่งนั้นเถอะ ในสิ่งที่เราต้องการนะัเราจะไม่เสียดายชาติเกิดเลยบางคนนี่พูดไว้อย่างนั้นเลยนั้นแสดงว่าไ e อ้ควราคาโทสะโมหะไม่ได้ทําให้กลัวตายเลยเขาไม่รู้ว่าตายนี่มันเป็นเบื้องต้นของความเกิดเกิดที่ไหนเขาจะไม่กลัวนรกว่าไม่กลัวบอกมนนรกเยอะกันแล้วเราจะไปอีกคนหนึ่งจะเป็นไรไปนะมันยังไม่กลัวแม้กระทั่งไฟนรกเอกหมู่เดรฉานก็ไม่กลัวบาปทุกชนิดก็ไม่กลัว บางคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกมันจะเกิดเป็นมแมลง ว, วันเกิดเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะขอให้ได้เกิดอีกเป็นใช้ได้เขาบอกงั้นนะเขาก็จะไม่ถือเรื่องอื่นก็ไม่สนใจเพราะนั้นบาปอกุศลเนี่ยมันสร้างความเสียหายโดยประการทั้งปวงเดี๋ยนะเขาเขาทำบาปให้แก่ตัวเองหาประมาณไม่ได้เพราะฉั้นอกุศลเนี่ยทำลายเ้าหมดทําลายอนุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติเทวตานุสติมรณ า, านุสติอุปสมานุสติ นะอะไรเอ ก, กายคตาสติเป็นต้นเนี่ยถูกทําลายหมดเกลี้ยงเลยเพราะอกุสนนั้นเกิดขึ้นมือแม้กระทั่งกสินเนี่ยนะที่ควรจะได้ก็ไม่ได้อ า, าสุภาษิตที่ควรได้ก็ไม่ได้นะนะเพราะถูกประทุสร้ายถูกทําลายหมดหรือแม้กระทั่งระดับสูงขึ้นไปอีกนะวิปัสนาภูมิเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงขันอายตนะธาตุสัจจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเหลือไม่สักขันหนึ่งธาตุสักธาตุหนึ่งอายตนะสักอายตนะหนึ่ง ธาตุศักดาตุก็ไม่เหลือวิปัสนาภูมินี้ทิ้งหายหมดมักเอ่ออันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธข า, ามินีปฏิปฏาทาโพธิปัจขิยธรรมมีสติปทานเป็นต้นเราก็เสียหายหมดละเลิกถึงสติปทานก็นละเลึกใหม่ออกสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงนี้ไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว น, นะก็ทําลายประโยชน์พอทําลายประโยชน์ในส่วนสูงเนี่ยนะคิดดูว่าสวรรค์ทุกชั้นเราพลาดหมด ด้วยอํานาจอกุศลที่เกิดขึ้นในภายในพรหมโลกทุกชั้นเนี่ยทำลายหมดโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลถูกทําลายหมดเกลี้ยงหลังจากที่บาปอาคุศลมันเกิดขึ้นทั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าถูกประทุษร้ายถูกทําลายแต่ว่าพวกกิเลสตัณหาเนี่ยนะเป็นศัตรูที่มาในคราบของมิตรเป็นโจรที่มาในคราบผู้หวังดี เนี่ยนะก็เลยบอกไม่เป็นไรเนี่ยนะแกเป็นอากุศลอย่างงี้แกไม่เป็นไรแกทนต่อไปแค่นั้นคนอื่นเขาก็อยู่กันทั้งเยอะนะก็เลยพวกมากลาบไปเลยกันนี่อยู่สบายเฝ้าวัตะตะทีนี้ก็ไปออกันอยู่เต็มไปหมดอออยู่ที่ไหนทะเลบ้างนะในน้ําำ่ําบ้างในสิ่งโสโครกปฏิกูลบ้างในหลุมห้องน้ําเป็นต้นบ้างก็ไปออกันอยู่ด้วยกันไปเฝ้าวัตตะกันอยู่อย่างนั้นเพรา ะ, ะอุจระควายมันอุจระมาทีหนึ่งพวกบีมแรงมันบินเข้าไป ตอมถ้าถึงอุจาระนั่น่ะเยอะมากๆเลยเป็นขวดๆเลยเนยถ้าเก็บเอาไอ้พวกษัตด์ที่จากมูลควายเนี่ยเป็นขวดเลยอ่ะแสดงว่ามันยินดีเป็นอย่างยิ่งมันติดข้องมันติดใจจริงๆเลยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อพูดประสงค์ให้อื่นแต่ให้รู้ว่าบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายประโยชน์สารพัดประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ก็ทาลายประโยชน์โลกหน้าก็ทาลายประโยชน์อย่างยิ่งก็ถูกทาลายหมด พระพุทธเจ้าผู้หวังดีปรารถนาดีต่อมวลสรรพสัตว์ก็มองไม่เห็นคุณของพระองค์ดังนั้นบาปอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยที่ที่มูสัตว์ทั้งหลายนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอาการที่ไม่เห็นอักุศลว่ามีโทษจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะนะที่มีโทษร้ายแรงมากอาการที่เห็นว่าอักุศลไม่มีโทษเนี่ยนะ เพราฉะนถึงเราทั้งหลายจะมีอกุศลแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีโทษเหมือนอย่างว่าที่เราจะต้องจ่ายทรัพย์ไปแต่ละวันแต่เรารู้ว่าจ่ายทรัพย์เนี่ยมันมันรู้ว่ารู้ว่าจ้องจ่ายรู้อกุศลว่าเป็นอกุศลนั้นภาษาริบท่านบอกว่าผู้ที่รู้อกุศลว่าเป็นอกุศลรู้อกุศลมูลว่าเป็นอกุศลมูลรู้กุศลว่าเป็นกุศลรู้อกุศลละมูลรู้กุศลมูลว่าเป็นกุศลมูลความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฐิ รู้จริงๆเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จักว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นพยัญชนะการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามเอามาอ่านในจิตของเราว่านี่นะศัตรูเกิดขึ้นแล้วป่าประมิตรเกิดขึ้นแล้วหรือบาปอากุศลเกิดขึ้นนะถ้าเป็นคนที่มักป่วยบ่อยๆก็นึกไว้ว่าเชื้อโรคกําลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเชื้อหวัดชนิดร้ายแรงกําลังเข้ามาสิงจิตแล้วเนี่ยนะซึ่งสภาพจิตจะถูกบ่มถูกทําลายโดยประการทั้งปวง แล้วก็น่าคิดนะว่าตัวบาปอากุศลเนี่ยมีโทษอย่างนี้แหละวัตถทุก์ทั้งมวลเนี่ยเกิดจากบาปอากุศลถ้าเราเห็นผู้ที่กําลังเสเวยทุกข์อยู่นี่นะถ้าเขาไม่มีอกุศลถ้าอากุศลไม่เป็นปัจจัยเขาไม่ทุกข์เช่นนี้หรอกนีนะถ้าอากุศลไม่เป็นปัจจัยเขาไม่เกิดในอบายหรอกถ้าอกุศลไม่เป็นปัจจัยเขาจะไม่ทุกข์ในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายหรอกงนั้นความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากบาปอากุศลเป็นปัจจัยสมาทานเถอะว่า ฉันจะต้องละตำสมุทัยอันนี้ให้ได้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะเป็นการน้อมไปเพื่อการตรัสรู้อย่างหนึ่งเพราะเป็นการน้อมไปเพื่อละในสิ่งที่ควรควรละเพราะตัณหาในฐานะเป็นสมุทัยสยัตว์นนะหวังว่าชาตินี้จะตัดฉั้นธราคะได้ น, นะก็ถ้าหวังไว้ในใจเสมอว่าจะต้องตัดฉั้นทราคะในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมให้ได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะก็จะได้สาธยายณะตมหาตุกสูตรอย่างมีความสุขใช่ไหม บอเออเนี่ยเรารู้แล้วทําไมเราต้องมาสาธยาอย่างนี้เราทําไมเราต้องมาคิดอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นศัตรูของเรานี่คืออะไรเนี่ยนะหลังก็รับดาบไว้เชื่อดตันหาเรื่อยๆเรืยๆรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะเวลานึกถึงอารมณ์ไหนนะั้นึกถึงอาจารย์สันติเอกบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเสีย้ยหมายว่าตัดฉันทราค่าเสเถเธอรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจับเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ถามว่าถ้าไม่ตัดฉันทราค่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ ป่วยฟังความคิดประจําำเลยแหละแต่สังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งนี้ขนาดในทางธรรมนะจากล่าวไปยายในทางโลกอะแม้กระทั่งพวกญาติพวกมิตรพวกพ่อแม่พี่น้องรูปร่างกายของเราชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ทําปริญญาเพื่อตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้นะถามว่าเราจะต้องมาทุกข์ร้อนกับสิ่งเหล่านี้อีกเท่าไหรท่ทำลายประทำลายประโยชน์ที่เป็นกุศลระดับสูงอีกเท่าไหร่ แต่ทางนั้นทางนี้นะอยากจะบอกว่ากรุณา er <ia> ตัวเองเป็นไหมถ้ากรุณาตัวเองเป็นวันนี้นะทุกโทษทั้งหลายเหล่านี้ฉันคือผู้รับประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นฉันคือผู้เสียอันน uh ี้เรียกว่ากรุณาเป็นทําไมเราไม่แสวงหาประโยชน์ชั้นสูงให้กับตัวเองเ่าอ yeah, ันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาต่อตัวเองนะถ้าเจริญได้เท่าไหร่ก็ดีใจกับตัวเองมุทิตากับตัวเองบ้างถ้าคนมีเมตตาต่อตัวเองมีกรุณาต่อตัวเองมีมุทิตาต่อตัวเองสักเท่าไหร่ จะมีเมตตาต่อผู้อื่นต่อเท่านั้นจะมีกรุณาต่อผู้อื่นเท่านั้นจะรู้จักมุทิตาต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนคิดแต่ประโยชน์ตัวเองด้วย อ, อำนาจบาปอากุศลเนี่ยนะมันจะไม่รองเห็นประโยชน์ใครหรอกนะเป็นไปไม่ได้หรอกผู้ที่มีราคะจักรู้ประโยชน์ตน ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะผู้ที่ประกอบไปด้วยราคะจะรู้จักประโยชน์ของผู้อื่นจะรู้จักประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะรู้จักประโยชน์โลกนี้จะรู้จักประโยชน์โลกหน้าจะรู้จักประโยชน์อย่างยิ่งจะรู้จักประโยชน์ลึกประโยชน์ตื้นประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ปกปิดเป็นต้นเนี่ยนะบาปอกุศลมันทําให้ไม่รู้ประโยชน์เหล่านั้นหรอกมันก็ต้องสมาทานเวลาอกุศลเกิดขึ้นสอบสวนทวนถามบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆสมาทานที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษบ่อยๆ ทำได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละแต่ตอนแรกๆก็ยังว่านะพวกปฏิบัติทำเพื่อละอกุศลเนี่ยเคลาน้ำตากันทั้งนั้นนะเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนียคัมมะเมตตาเนี่ยนะคือเป็นการน้อมประโยชน์เข้ามาหาตนการุณาเนี่ยคือมุ่งที่จะคิดบำบัดทุกข์โทษที่มีในตนอย่างเช่นว่าเจริญเมตตาให้ตัวเองก็อย่างว่าขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า ใครข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยสติประธานสี่สัมมาประธานสีหวังคือน้อมประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองตัวเองทั้งหลายเหล่านี้เรียวกว่าเมตตาแต่ถ้าเป็นกรุณาเนี่ยนะโอ้นี่ฉันจะทําบาปให้กับตัวเองไปถึงไหนนี่ฉันจะต้องตกนรกอีกแล้วนะไม่กลัวทุกข์บ้างเลยเฉยหรือนี่นะมันมีโทษนะมันนี่เป็นอกุศลเพราะเหตุนี้มันมีโทษเพราะเหตุนี้ อันนั้นก็นึกว่าโอ้โหนี่สิ่งเหล่านี้ภาระเหล่านี้ฉันจะต้องรับทั้งหมดในวัตะเนี่ยนะทใจได้หรือไม่สงสารตัวเองมั่งหรือที่จะต้องไปเดือดร้อนในวัตะขนาดนี้ก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของกรุณาเห็นโทษของสมุทัยบาปอากุศลเห็นโทษของการอยู่ในวตัตฏะเนี่ยนะคือเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองที่ต้องเฝ้าวัะอยู่อย่างนี้ เฝ้าขันธาตุอายตนะเฝ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเดือดร้อนจริงๆเลยนะเดือดดูแลตาเนี่ยไม่ให้อะไรมันมาเข้าตาเพ่จะได้ดูต่อไปมันเสียก็ต้องซ่อมมันสั้นก็ต้องตัดแล่นอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลมันอยู่อย่างนั้นเลยมีหูก็ต้องดูแลหูมีร่างกายก็ต้องดูแลต้องหาข้าวเลี้ยงมันวันละกีรอบก็ว่าไปไม่ได้นะอาหารไม่ถูกใจมันไม่เอาอย่างไหมมันวัยวัยอย่างเงี้ยเลี้ยงรูปขันเสร็จมันผิดเวทนาขันอีกอ่ะ ได้เวทนาขันผิดสัญญาขันอีกแล้วผิดสัญญาเอาสังขารขันเดือดร้อนอีกอวิญญาณขันก็ป่วยเอาป่วยเอาเนีนะก็เลี้ยงยากบริหารยากนี่จะต้องเลี้ยงขันเหล่านี้ไปถึงไหนเนี่ยนะก็กรุณาตัวเองบอกว่าเมื่อไรจะเลิกละมหาภาระเหล่านี้สักทีหนึ่งไม่แ น, นะมน่เมื่อไรจะได้มหาภาระเพิ่มอีกอันนี้ขาดความการุณาต่อตัวเองอย่างมากนั น, นะ เคยถามโยมคนนี่โยมถ้าหมาตัวนี้ตายจะหามาใหม่ไหมบอกว่าเคยมีคนเสนอให้เขาไม่เอาอีกแล้วละเขาบอกงั้นะใช่ตัวนี้เสียเดี๋ยวตัวใหม่มาอีกเนี่ยนะลักษณะของตันหาเนี่ยนะก็สมถารที่จะให้เห็นโทษนะตัวความหวังตัวความต้องการตัวความยินดีตัวตันหาที่เล่นไปตันหาที่ตั้งอยู่เนี่ยนะตันหาทั้งหมดพระพุทธเจ้าทำให้สิ้นสุดแล้วน ท่านทำลายได้อย่างชนิดเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยนะถอนรากของตันหาคืออะไรรากของตันหาตันหามีรากอยู่อันเดียวรากรากเดียวนะแต่ว่าแม่รากมันลึกเหลือเกินอวิชาเป็นรากของมันนะนะมีรากไปคืออวิชามียอดเป็นพิษต้นไม้ชนิดนี้พันธุ์นี้เลวมาก ถ้าตันหาเกิดแนละ้วเราจะประครับประคองมันมากเลยนะเราจะไม่บอกว่ามันไม่ดีหรอกตอนฟังทำนะพอมันหายเมาหน่อยๆเออใช่ใชเลวมากนะแต่พอมันเกิดจริงๆเออเนี่ยนะมันไม่เกิดก็เดือดร้อนอีกเมืวลาบางคนเนี่ยนะไปพูดให้คนอื่นมีตันหาคนอื่นเขาไม่มีตันหาเดือดร้อนต่ออีกนะนะก็กลายเป็นอย่างนั้นไปคําว่าสราสราเนี่ยนะมีอัธยาธิบายดังนี้ว่าชนบางพวกมักน้อมไปในรูปรูปารมเนี่ยนะ บางคนเนี่ยติดสีเนี่ยติดมากจริงๆเลยนะบางชนบางพวกมักน้อมไปในเสียงชนบางพวกมักน้อมไปในกลิ่นชนบางพวกน้อมไปในรถชนบางพวกน้อมไปในโพธาภะชนบางพวกมักน้อมไปในธรรมรมคือความโอนของแต่ละคนเนีเ่ยเองไปแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดูได้จากอะไรดูได้จากนักสะสมทั้งหลายเนี่ยนะ <Bit. S 1> บางคนนักสะสมภริยานี่มีทั้งหลายคนอย่างเงี้ย บางคนก็นักสะสมเสียงเพลงเนี่ยก็มีถ้าเสียงดนตรีนั่นแหละเต็มไปหมดเลยนะเพลงชุดไหนชุดไหนมีเต็มไปหมดบางพวกนักสะสมนาฬิกาไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําอะไรมากบางพวกนักสะสมรถเนี่ยเก็บไว้เต็มไปหมดเลยบางพวกนักสะสมต้นไม้เนี่ยนะบางพวกนักสะสมอะไรอาหารการกินเนี่ยสะสมจริงๆเลยนะกระเป๋าเนี่ยล้วงตรงไหนต้องมีต้องมีอาหารกินสักอันจนได้นั่นแหละบางพวกก็นักสะสมน้ําหอมยังไงก็สะสมอยู่นั่นแหะ มบางพวกก็สะสมเหล้าไงนะสะสมแต่เหล้าจริงๆอ่ะนะเหล้าสารพัดชนิดพร้อมที่จะคว้ามาดื่มได้หมดเลยนะแล้วก็แต่เป็นนักสะสมบางพวกนักสะสมเสื้อผ้าเนี่ยนะซื้อตู้เพิ่มไปเรื่อยๆสะสมค่อยมีไว้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่าอไรอย่างนะบางพวกก็น่าสะสมหนังสือก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบสะสมอะไรบางพวกสะสมรองเท้าอย่างเงี้ยนะบางพวกก็สะสมสารพัดที่จะสะสมได้ที่จะสรรหามาเนี่ยนะยอมก็เล่าว่าบางพวกเนะ ได้เพชรมาก็โอ้โหเอาออกมาดูไหนดูเสร็จก็เก็บไปใหม่กลัวคนอื่นจะเห็นอีกดูแล้วออกมาดูอีกแล้วก็เก็บไปอีกกลัวอีกเลยนะบอกโอ้โทษของวัตตะเนาะของสวยของงามไม่กล้าโชว์เดี๋ยวคนอื่นจะโฉบไปหมดอีกนะเราเลยต้องแอบแอบดูแอบแอดูดซ่อนซ่อซ่อนซ่อดูดูดูดซ่อนซ่อนย่างนั้นแหละก็เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีใจบ้างเดี๋ยวก็เสียใจบ้างดีใจที่ได้ดูอ้าวเสียใจเดี๋ยวคนจะแย่งอีกันเดืดร้อนเนี่ยนันะอประทุสร้ายตัวเองน่าดูเลยนะ จริงวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายโดยเฉพาะสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเชื่อไหมโดยมากไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขสักเท่าไรเนี่ยนะฮัลสสมัยโบราณเนี่ยนะเขาแช่งกันเนี่ยเขาแช่งว่ายังไงขอให้ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสมีวัดใหญ่ๆโตๆมีบริวารเยอะๆเนี่ยนะก็ดูแลนะนะถามว่ามีความสุขสักเท่าไหรน่นะนะพอมาไปเห็นศาลาบางวัดเนี่ยสไร่อย่างเงี้ยนะโอ้ตายเนี่นะยเช็ดกับป่วยตายแล้วคิดแต่เรื่องเช็ดเนี่ยนะบางแห่งมีหมาห้าสิบตัวอย่างเงี้ยโอ้เห็นแล้วก็เหนื่อยเลย ก็มาเหอะใครน้อมไปหาอะไรมากๆก็สะสมไปเท่าไหร่ก็สะสมทุกเท่านั้นบางแห่งเขาบอกว่าใครสะสมมหาภูติรูปเท่าไหร่นะสะสมปัจจัย4เท่าไหร่ก็สะสมศัตรูเอาไว้เท่านั้นเนนะเพราะว่าวัตถุกรารมทั้งหลายใครก็ต้องการใช่ไหมเมื่อคนต้องการมันก็แย่งชิงกันเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะอารมณ์6ก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจตัวนั้นมาจากโทมานั์เนี่ยนะ เคหสิตะโทมนัสนะความไม่พอใจตัวนั้นวงเล็บหน่อยว่าโทมนัสทีนะ่อาศัยเรือนเนี่ยนะอาศัยเรือนเทระว่าเคหสิตะโทมนัสความยินดีที่อาศัยบุคคลที่ตนรักในเรือน6ก็หมายถึงโสมนัสเคห์เออเคหสิตะโสมนัสความไม่พอใจอาศัยเนคขมะหมายถึงเนคขมะสิตะโทมนัสเนคเออความยินดีที่อาศัยเนคขมะคือเนคขมะ เนค ม, มสิตะโสมณัตรวมเป็นยี่ใช่คือเคหาสิตะโทมณัตหเคหาสิตะโสมณัหเนมสิตะโทมณัอีกหเนคขมัโสมนัตเนคเนคขมัสโอเนคขมสิตะโสมณัตอีกหมันก็เลยรวมเป็น ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งตันหาเนี่ยนะอยู่ในฝ่ายแห่งตันหาอัญญานุเบกขา ท, ที่ตนรักอาศัยเรือนหกอย่างนี้เป็นฝักฝ่ายแห่งทิฏฐิปกติอารมณ์มีหกใช่รูปเสียงเล่นรสโพธะพะและธรรมรม อารมณ์ทั้งหกเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสเบคขาถ้ามองอย่างนี้จะได้เวทนาสิบแปดเพราะอารมณ์หกเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามก็เท่ากับเวทนาสิบแปดทีนี้โสมนัสแบ่งออกเป็นสองพวกอ น, นะอาศัยเรือน อยเรือนวงแล ก, ก็อาศัยกามนี่แหละหกก็คืออารมณ์นั่นแหละโสมนัตอาศัยเรือนหแล้วก็โสมนัตอาศัยเนกขมมะคืออาศัยกุศลนี่ น, นะหโทมนัตก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกอาศัยเรือนคืออาศัยกามะคุณหกนี่นนะอาศัยเนกขมมะหอุเบกคาก็แบ่งออกเป็นอาศัย เนคขมมะเนคขมมะหอาศัยเรือนหพวกนี้เนคขมมะเอ่อขออภัยโสมนัสอาศัยกลามโสมนัสอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเรือนโสมนัสอาศัยกามอุเบกขาอาศัยเนคขมมะพวกนี้เนี่ยเป็นวัตถุแห่งตันหาส่วนอุเบกขาอาศัยเรือน อุเบกขาอาศัยเรือนเป็นวัตถุแห่งอวิชชาอาวิชชาหรือวัตถุแห่งทิฏฐิก็กลุ่มเดียวกันที่ใดมีอวิชชาที่นั่นก็ตามมาด้วยทิฏฐิน่แต่ในตำรา บ, บอกว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งทิฏฐิน่นะ่ถ้าถ้ามองให้ดีเนี่ยว่าอารมณ์ 6, น่นหะ อารมณ์หกที่จะจะได้รับพวกนี้มันต้องมีอะไรก่อนผัสสะใช่ไหมผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็กลายเป็นเวทนาสิบแปดหรือเวทนาสามสิบหกตรงนี้มันมันขาดอะไรไป อ, อุเบคาอายเนคมะไม่พูดนะขอโทษทีอุเบคาอาศัยเรือนหกนะเนี่ย เป็นวัตถุแห่งทิฏฐิหรืออยู่ในฝักไฟแห่งทิฏฐิส่วนข้างบนทั้งหมดอยู่ในฝักไฟแห่งตัณหาอันเวทนาเนี่ยจะกล่าวโดยที่สุดแม้แต่เวทนาที่เป็นกุศลก็ตามมาซึ่งตัณหาจนได้ น, นัแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรพูดอีกในหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นแรงสะท้อนของอารมณ์มาพูดแบบนี้นะ ว่าอารมณ์6กเมื่อเมื่อรับกระทบสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งแห่งอะไรบ้างสมมติวสมมติว่าเห็นเนี่ยเห็นโตะเห็นเก้าอี้เห็นนาฬิกาเห็นอะไรก็ช่างเถอะเห็นสีอย่างเดียวเนี่ยมันสะท้อนต่อความรู้สึกอะไรเราเมื่อมีความรู้สึกแล้วเรามีความคิดอะไรขึ้นแล้วตามด้วยตันหาตัหากับทิฏฐิอย่างไรถ้าตันหากับทิฏฐิรวมกันก็คือตันหากับทิฏฐินะคว่าวัตตมูลแปลว่ามูลของวต เห็นอารมณ์นะเหมือนกับว่าตัวมูลของวะตามันอยู่ที่อารมณ์แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่สภาพธรรมภายในเนี่ยนะถ้าไม่รับอารมณ์เหล่านั้นซะสภาพอากุศลเหล่านี้จะมีไหมท่านเขาจึงทําปริญญาณในอารมณ์กเนี่ยอารมหกพวกนี้จึงเป็นปริญญยธรรมเพราะถ้าไม่ทําปริญญานะในที่สุดก็ อารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งวัตตะอีกต่อไปแม้กระทั่งเนี่ยโสมนัสอาศัยเนคข ม, มะโทมนัสอาศัยเนคข ม, มะซึ่งเป็นไปกับสมถวิปัสนาญยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเลยที่จริงแล้วเวทนานะโดยสภาวะของเขาเวทนาพวกนี้ต้องย้อนเข้าอยู่ในกลุ่มธรรมอารมณ์นะก็เพราะถือว่าเวทนาก็เป็นกลุ่มปริญญาธรรม อันนะีพ่อหนี้แยกชัดมาให้เห็นอีกชัดหนึ่งที่อื่นที่อื่นนี้กล่าวถึงที่ให้ให้เจริญสมนัตละโทมนัสแล้วก็ให้ตอนลังให้เจริญอุเบคาเพราะว่าไอ้อุเบคาอาศัยเนคขมะเนี่ยอมความไปจนถึงวิปัสนาเนี่ยนะอมความทั้งวิปัสนาด้วยอมความถึงรูปประชานารูปประชานด้วยเนี่ยนะอุเบคาอาศัยเนคขมะเนี่ยนะ ก็อยู่ในระดับสูงเนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้ดีการกระออัตถกถาอะไรก็ไม่ค่อยอธิบายอะไรเลยก็เลยไม่ได้เอาไปนึกตัณหาที่ท่านกล่าวด้วยอาการปราถนานั่นแหละชื่อว่าธรรมะนันทียินดีในสภาวะธรรมมีรูปเป็นต้นะนะพอรับอารมณ์รูปเสียงกลิน่นรสโพธิภะธรรมอารมณ์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งใช่ชื่อว่าธรรมะเปมะรักใคร่ในสภาวะธรรมคือรูปเป็นต้น ชื่อว่าธรรมัชโชสานะมักลืนกินสภาวะรมให้เสร็จสับเนี่ยนะรวบหมดเลยใช่ไหมว่านั่นเป็นรวบว่าไงนั่นของเรานั่นเรานั่นอัตราของเราเนี่ยมันรวบเด็ดเสร็จเลยทั้งหมดนี้เป็นไวยพจน์ของตันหานเป็นชื่อของ ต, ตันหาตันหามีเยอะชื่อมากเนี่ยนะมีหลายชื่อด้วยกันตันหาเนี่ยพระพุทธเจ้ายกมาแสดงมากที่สุดไม่ได้ชื่นชมให้เจริญนะ กล่าวเพื่อบอกว่านี่นะอันนี้ก็เส้นสายแห่งตันหานะตัดซะเทอเฉือนซะเทอผ่าซะเทออะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นคำทั้งหมดนี้คือจิตตะมณะวิญญาณเนี่ยนะก็จริงก็มีมโนโมณะเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกเป็นคำไวพยพจน์ของจิตคำทั้งหมดนี้คือมนินทรีซีมโนธาตมนายตนะวิชาณน า, นาธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นคาไวพยพจน์ของจิต มันก็จิตก็มีหลายเชื่อนะก็มีบางท่านเ้ามาคุยก็จิตกระจยนี่มันคนละอย่างกันเ้าถกกันจิตมันจะเหมือนใจได้ยังไงเขาวางันดีนะก็ไม่ขอป่วยด้วยหรอกปว่วยคนเดียวบางอย่างก็เป็นแค่คำที่ใช้แทนกันเฉยๆเนี่ยนะไปคิดอะไรมากบางพวกเ็าถกกันว่าอาวิชากับโมหะมันคนละอย่างกันเขาวางันอ่ะ อวิชาก็อย่างหนึ่งสิโมหะก็อย่างหนึ่งก็ถกกันว่าอะไรคืออวิชาอะไรคือโมหะพูดแต่แล้วจะให้มันต่างกันจนได้เนะะก็มีนะเขาถกกันเรื่องใหญ่โตมากอะไรโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละจะคิดอะไรมากบางทีก็คายคําไว้โพสแก่ชื่อไอ้คนสภาวะเดียวกันต่างกันคนละชื่อเท่านั้นแหละก็มาถกกันบอกมันต้องต่างสิถ้าไม่ต่างแล้วเรียกชื่อเยอะทําไมอย่างนั้น